มีการท้าแบบกับพวกชีเปลือยชีเปลือยเนี่ยบางทีบางคนมีบุญได้เจอพระพุทธเจ้าชีเปลยบางท่านไม่มีบุญที่จะเจอที่ไม่ได้เจอแน่ๆคือพวกาศาสดาถ้ า, าศาสดารัฐทีอื่นยังไม่ละความเป็นาศาสดารัฐทีเดิมนั้น ถึงจะมีลูกศิษย์มากแค่ไหนนะนะก็จะไม่มีไม่มีบุญมากพอที่จะมาพบพระเจ้าีนี้ชีเปื่ยระดับลูกศิษย์ท่านหนึ่งวันหนึ่งมาพบพระเจ้าก็สนทนาธรรมกันสนทนาธรรมพระเจ้าก็ถามก่อนบอกว่ า, วาศาสดาของท่านสอนอะไรบ้างสอนอะไรบ้างหบอกสอนสามอย่างในเรื่องของ พุทเจ้าบอกในเรื่องของกรรมสอนบ้างไหมอ๋อในเรื่องของกรรมเนี่ยศาสด า, าของเราจีเลยบอกนะศาสน า, าของเราเนี่ยไม่สอนเรื่องกรรมแต่สอนเรื่องโทษโทษเนี่ยภาษาของเขาเนี่ยจะใช้คาว่าทันทะทอทหารมณฑกาศนเนนทอนอมนโธทันทะทันทสถานราช ท, ทันทันทสถานก็คือสถานที่ลงโทษคือกักขังเอาไว้ ไม่ใช่กักขังหนงเหนียวนะใ ห, ให้อยู่เป็นที่ไม่ให้หนีไปไหนจะส่งข้าวส่งอาหารก็ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนส่งข้าวส่งอาหารไม่ต้องขว า, างขงง้ามกำแพงบอกศาสด า, าของเราเนี่ยแสดงโทษสามอย่างอะไรบ้างพุทธเจ้าก็ถามอะไรบ้างมีโทษทางกายมีโทษทางวาจามีโทษทางใจพระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกอกว่า ในโทษสามอย่างเนี่ยศ า, ศาสดาของท่านบัญญัติว่าอะไรมีโทษมากที่สุดชีเปลเลยก็บอกว่าโทษทางกายมากที่สุดรู้สึกงั้นไหมโทษทางกายมากกว่าทางวาจาไหมมากกว่าทางใจไหมถ้าคิดในใจยังไม่ค่อยมีโทษเท่าไหร่พูดออกไปก็มีโทษมากขึ้นกว่าคิดในใจแต่ถ้าลงมือด้วยเนี่ยโทษมากนี่พระเจ้าก็ ถามขั้งที่สองว่าขอถามเป็นขั้งที่สองว่าท่านกล่าวว่าโทษทางไหนมากที่สุดก็ย้าว่าโทษทางกายย้ําอีกครั้งเป็นขั้งที่สาม mm hmm. ก็ตอบย้าเหมือนเดิมว่าทางกายเพราะศาสด า, า, าตัวเองสอนมาอย่างนี้แล้วตัวเองก็เชื่อยอย่างนั้นด้วยพอถูกย้าถึงสามครั้งชีเปลือยก็ถามกลับมาว่าแล้วพระองค์ละ่ะ สอนอยังไง mm hmm. อ๋อของเราเนี่ยไม่ไม่พูดถึงเรื่องทันทะแต่พูดถึงเรื่องกรรมกรรมอะไรบ้างชีเปยถามนะกรรมอะไรบ้างกรรมมีเท่าไหร่กรรมในแง่ของการแสดงออกนะมันมีการแสดงออกไปเนี่ยมีการแสดงออกทางกายการแสดงออกทางวาจาการแสดงออกทางใจเรียกกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมสามอย่าง ตัวเองเนี่ยถูกถามมาสามครั้งว่าอะไรมีโทษมากที่สุดก็เลยถามกลับแล้วท่านบัญญัติว่ากรรมอันไหนมีโทษมากที่สุดพระพบอร์เจ้าก็ตอบว่าตอบว่าอะไรมนโนกรรมนะตอบว่ามนโนกรรมมีโทษมากที่สุดชีปวยก็ศพพระเนธมองหน้ า, าถ้าตอบอย่างนี้นะเสร็จเราคิดอย่างนี้นะ ขอถามย้ำเป็นครั้งที่สองท่านวาดกรรมอันไหนมีโทษมากที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตอบตอบให้นะมะโนกรรมขอถามครั้งที่สามนี่เอาเพื่อความมั่นใจขอถามว่ากรรมอันไหนมีโทษมากที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตอบให้อีกมโนกรรมแล้วชีปเปลือกนั้นก็ก็หยิ่บในใจแต่ยังไม่ยังไม่โต้อตอบกับพระพุทธเจ้าทันที กะว่าเดี๋ยวจะไปรายงานศาสดาของเราแล้วให้ศาสดาเนี่ยส่งคนฝีมือดีๆหน่อยฝีปากดีๆหน่อยมาโต้กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราได้คายืนยันของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามโนกรรมมีโทษมากสุดแต่เราเนี่ยโทษทางกายมีโทษมากที่สุดถือกันแบบสุดตรงข้ามกันเลยเก็กลับไปศาสดาของชีเปลือยเนี่ยมีชื่อว่า นิครนนาถบุตรเคยได้ยินชื่อัหมนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรเนี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นคาราวาที่สําคัญท่านหนึ่งชื่อว่าอุบารีเคยได้ยินชื่ออุบารีไหมอุบารีเนี่ยเป็นพระอยู่รูปหนึ่งนะเป็นเลิศในด้านวินัยแต่อุบารีที่เป็นข้าบดียังไม่ได้บวชเป็นลูกศิษย์ของชีเปลือยรวยมาก ตอนที่อุบาลีมาเป็นลูกศิษย์ของชีปเปลือยเนี่ยชีปเปลือยเนี่ยประกาศไปทั่วเลยเราขอประกาศให้ชาวเมืองเท่าไหายทราบว่าอุบาลีเป็นพักพวกของเราแล้วอุบาลีเนี่ยศรัทธานิคนนาถบุตรมากเพราะนิคนนาถบุตรเนี่ยสอนถึงเรื่องการละตันหาคําสอนขอเขาก็ฟังดูเหมือนมีเหตุผลเหมือนกันอุบาลีศรัทธามากชีปเปลือยที่ไป โต้วาทีกับพู้ตเจ้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้โต้อะไรมากนะเพียงแค่สนทนาแล้วก็ย้ำผัดกันย้ำคนละสามครั้งเนีแล้วก็กลับไปไปกล่าวรายงานให้กับชีเปลือยที่เป็นาศาสดาคือนิโคนนาธบุตรนิโคนนาธบุตรฟังแล้วบอกดีมากชีเปลือยที่ไปคุยกับพู้ตเจ้านั่นะชื่อทีฆาตะปัดสีบอกดีมากทีฆาตะปัสิสีเธอฟังคาสอนของเรามาดี แล้วก็มั่นคงในหลักการของเราดีแล้วที่เธอย้ํากับสมณะโคดมว่าโทษทางกายมีโทษมากกว่าแล้วดีแล้วที่หลอกให้สมณะโคดมย้ําคําตัวเองถึงสามครั้งว่าโทษทางมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยมีโทษมากกว่าดีเลยต่อไปเราจะจัดคนไปถลม่มมองไปมองมาอุบาลีนี่แหละ เป็นคนที่มีการศึกษาดีที่สุดมีคารมมีปัญญาเหมาะที่จะไปปราบสมณะโคดมนี้มอบหมายให้อุบาลีเธอจงไปไปที่วัดตอนนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นาลันธาแต่ตอนนั้นยังไม่มีวัดนาลันธานะวัดนาลันธาเนี่ยมาเกิดตอนที่พระสารีบุตรปรินิพานแล้วตัใจส่งอุบาลีไป ต่ทีฆาตปัดสีเนี่ยกลับบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอย่าส่งอุบาลีไปเลยทําไมอ่ะอุบาลีเป็นผู้มีปัญญาน่าจะส่งไปปราบสมณโคดมไม่ดีหรือบอกทีฆาตปัดสีบอกว่าท่านถ้าส่งอุบาลีไปนะเกรงว่าจะถูกมนกลับใจเคยได้ยินคํานี้ไหมมนมนเปลี่ยนใจมนกลับใจของสมณโคดม เพราะสมณโคโดมเนี่ยมีมนกลับใจเกรงว่าอุบารีเนี่ยไปเจอกับสมณะโคโดมแล้วจะถูกมนนั้นนิคโครนาบุตรบอกว่าไม่มีทางอุบารีมั่นคงเด็ดเดี่ยวซื่อตรงมั่นในหลักการของคาสอนเรามากไม่มีทางจะเปลี่ยนใจอุบาลีได้ตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายบอกว่าทำไมนิคโครนาธบุตรจึงไม่เชื่อ ทำไมทีฆตปัดสีจึงหวั่นใจท่าบอกว่าทีฆาตปัดสีเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่นิโครนาฏบุตรยังไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าทำไมยังไม่เคยเจอเพราะนิโครนาฏบุตรประกาศตัวเองว่าเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ละความเป็นศาสดานั้นจะไม่มีบุญมากพอที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าที่จะมาพบพระพุทธเจ้า เพราะความเป็นศาสดาสอนคนอื่นให้หลงทางเนี่ยเป็นบาปมากระวังให้ดีนะใครเป็นศาสดาบ้างระวังให้ดีเป็นศาสดาสอนคำสอนอื่นชักจูงคนไปในทางอื่นนอกทางเป็นบาปมากขนาดที่เรียกว่าเกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าเดินสวนไปเดินสวนมาไม่เจอความที่ไม่เจอทำให้ไม่เชื่อว่า แค่เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นศรัทธาเกิดแล้วทีข้าตปสสีเนี่ยไปเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วใจเนี่ยเลื่อมใสล้วขนาดตัวเองเนี่ยนะกะว่าจะไม่เปลี่ยนาศาสนาลงทุนแก้ผ้าแล้ว ไ, ม, ไ, ว <c oughs> วไม่จะไม่นุ่งผ้าอีกต่อไปแล้วเมันอเขาจะเป็นทีเปลือยใช่ไหมจะไม่นุ่งผ้าอีกต่อไปล้วเห็นพระพุทธเจ้าก็หวั่นใจเลยยังหวั่นใจเลยบอกว่าถ้านิคนนับุตรส่งอุบาลีซึ่งมีปัญญา คนมีปัญญาพวกปัญญาชนเนี่ยไปเจอพระพุทธเจ้าเสร็จทุกไลน์ที่กัตตปสีบอกว่าอย่าส่งไปเลยอุบาลีเจอพระพุทธเจ้านะเสร็จแน่อย่าส่งไปเลยส่งคนโง่กว่านี้ไปหน่อยดีกว่า <c ười> คือเสียไปก็ยังไม่เสียดาย <c ười> เสียอุบาลีนั้นน่าเสียดายเพราะว่ารวยด้วยเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นแหล่งแหล่งคลังสมบัติของฉีเปลือยเลย จีเปลยอยากได้อะไรก็เข้าบ้านอุบารีอุบารีจะสนับสนุนทุกๆอย่างให้กับฉีเปลือยถ้าเสียคนนี้ไปนะตายแน่แต่นิโคนนาตบุตรไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเคยแต่ได้ยินกิติศัพท์มาแต่ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนกับที่ฤาษีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่เชื่อนี่ยังไม่เห็นยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยแต่ัดสินใจย้ำคําเดิมว่าส่งอุบารีไป อุบาลีก็บอกว่าไม่ยากเพราะฟังดูแล้วเนี่ยคำสอนของนิคนนาฏบุตรเนี่ยเป็นจริงแสดงออกทางกายเนี่ยคิดจะตบคนนี้แค่คิดโทษนิดนึงเอ่ยปากไปว่าฉันจะตบแกอันนี้คนฟังชักมีโทสะใช่ั้ยก็มีโทษมากขึ้นแต่ยังไม่ตบลงมือตบนี่ จึงจะมีโทษมากในใจของบาลีคิดอย่างนี้นะเราว่างกันไหมมันต้องแค่คิดโทษน้อยหลุดปากไปโทษนิดหนึ่งมีโทษมากกว่าคิดตบนั่นแหละจึงจะโทษมากฉันจะฆ่าแกคิดเฉยๆเนี่ยโทษนิดหนึ่งหลุดปากไปว่าฉันจะฆ่าแกมีโทษมากขึ้นฆ่าเลยเนี่ยจึงจะมีโทษมากสุดคิดอย่างนี้นะ นี่คนก็สอนอย่างนี้แล้วอุบาลีก็คิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้โต้ยังไงก็ชนะนี่นะคิดยังไงโต้ยังไงก็ชนะสำนะโคโดมที่ว่ามีชื่อเสียงมีลูกศิษย์มากเสร็จเราแน่คราวนี้เดินทางไปพอเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าอึ้งอึ้งแล้วนะพระเจ้าเนี่ยหน้านับถือกว่าชีเปลือยราเยอะเลย อึงนิดนึงละแต่ก็ไม่เป็นไรสอนไม่ตรงนึกในใจนะสอนไม่ตรงเดี๋ยวเราจะจะดูหน้านับถือแค่ไหนก็ธรรมะไม่ตรงเดี๋ยวเราจะปรบับแต่ก็ไหวดูแล้วหน้าไหวอะ่ะอุบาลีมาถึง้เห็นโอหน้านับถือเหมือนกันก็ไหวแล้วก็นั่งที่ควรเหมือนกับว่าเวลามีที่นั่งถ้าเขาถือตัวนะก็จะนั่งที่เสมอกันแต่นี่ โอยอมยอมนั่งในที่ต่ำกว่าแล้วก็ไหว้ด้วยกราบด้วยคุยไปคุยมาก็บอกว่าท่าน อ, อุบาลีเนี่ยเป็นอุบารส ก, ก็ถามว่าเ อ, อเมื่อวานเนี่ยมีชีบเลือยมาคุยกับท่านบ้างไหมอ๋อมีมีมทีฆตปัสสีมาคุยกับเราคุยว่าอะไรบ้างก็เล่าให้ฟังพทุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าคุยอย่างนี้อย่างนี้อุบาลีก็เลย ยกขึ้นมาว่านั่นแหละเป็นเหตุว่าทำให้วันนี้ผมต้องมาคุยกับท่านเราจะมาคุยกันเรื่องว่าอันไหนมีโทษมากกว่ากันพระพุทเจ้าบอกว่าจะคุยเรื่องนี้ก็ได้แต่ต้องขอากติกากันหน่อยบอกว่าถ้าเรายืนยันว่าจะมีสัจจะต่อกันนี่นะถ้าเรายืนยันว่าเราจะมีสัจจะต่อกัน การคุยเรื่องนี้ของเราสองคนจึงจะคุยต่อได้บาลีบอกไม่ยากเราขอขอยืนยันว่าเราจะมีสัจจะต่อกันท่านสมมะโคดมยืนยันคำไหนเรายืนยันคำว่ามโนกรรมมีโทษมากกว่าแล้วท่านละ่ะยืนยันคำไหนเรายืนยันว่ากายะทันทะกายะทันทะมีโทษมากกว่าก็ผัดกันย้ำอีกสามครั้ง น, นะท่นย้ากันอย่างนี้นะ เ, เราตามมีสัจจะอย่างนี้นะพระเจ้าก็ถามเคยมีไหมชีเปลือยทั้งหลายเนี่ยเวลาไม่สบายเวลาไม่สบายอาหารของชีเปลือยจะต้องกินอีกแบบหนึ่งน้ําต้องอาบน้ําเย็นเพื่อลดไข้เอาน้ําเย็นมาลูกชีเปลือยเนี่ยจะมีข้อวัดอันหนึ่งว่าห้ามใช้น้ําเย็น ใครติดไอติมเนี่ยล ำ, ลำบากห้ามไปบวชเลยห้ามใช้น้ําเย็นเพราะเขาถือว่าน้ําปกติเนี่ยมีตัวสัตว์มีลูกออสไอขอลูกออสใหญ่ไปนะลูกน้ําตัวอะไรตัวตัวสัตว์เล็กๆจุลินทรีย์ในน้ำนํำน้ําที่เขาจะใช้ต้องต้มก่อนแต่ถ้าเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีตัวสัตว์ไปใส่เพราะนั้นน้ําของเขาจึงอาบน้ําร้อน เขาอาบน้ำร้อนนะในพระเจ้าบอกว่าเคยมีไม้ที่ชีเปลือยเป็นไข้อยากจะใช้น้ำเย็นมาลูบแต่ใช้ไม่ได้เพราะมีข้อห้ามของศาสดาว่าห้ามใช้น้ำเย็นแล้วเขาตายศาสดาของท่านพยากรคนนั้นว่าอย่างไรถ้าจิตใจของเขายังห่วงหาในน้ำน้ำเย็นห่วงหาน้ำเย็น ตายไปพร้อมกับจิตใจที่ห่วงหาน้ำเย็นอุบารีบอกว่าอ๋อศัสดาของเรานิโคร น, นักบุตรพยากรไว้เหมือนกันเคยมีเคยมีเคสนี้บอกว่าไปเป็นเทวดาจําพวกหนึ่งเรียกว่าพวกมนโนอะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพลงนะเป็นเป็นภาษามนโนและจุดจุดจๆุเนี่ยจะมาจำชื่อต่อไม่ได้คือเกี่ยวกับที่ว่าใจที่ยังติดยึด หวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีใจติดยึดอยู่พระเจ้าฟังคำตอบแล้วก็อ้าวเราคุยกันแล้วนะว่าเราจะใช้สัจจะต่อกันนะคำตอบของท่านกับสัจจะที่ท่านให้ไว้ยืนยันสามครั้งก่อนนั้นนะไม่ตรงกันนะอุบ <c oughs> าลีก็งงงงไหมคือตัวที่พาให้ไปเกิดคือตัวมโน ที่ไปยึดติดในสิ่งนั้นทั้งๆ ท, ที่ตัวเองเนี่ยมีปฏิปทาทางกายตรงตามบัญญัติของนิครนาถบุตรกลับไม่พ้นทุกข์ใจไปติดยึดกับน้ำเย็นเลยไปเกิดเป็นเทวดาน้ำเย็นสงสัยไปอยู่กับไอ้ถังน้ำแข็งพวกนั้นนะปรากฏว่า อุบาลีอึงนะอง้งแล้วนะใจเนยยอมแล้วใช่เลยใจนึกเลยนะนี่คนฉิบหายแล้ว <c oughs> บอกโอ้ใช่เลยนี่คนเนยสอนขัดแย้งกันเองสอนขัดแย้งกันเองสอนว่าโทษทางกายมีมากแต่พอคนที่เขาติดยึดด้วยใจใจนั้นมีโทษทำให้ไม่พ้นทุก กลายเป็นเทวดาจังพวกเทวดาน้ําเย็นก็เลยยอมแล้วนะใจในะยอมแล้วแต่อยากฟังต่ออยากฟังต่อแต่ผมก็ว่าโทษทางกายมีมากกว่าอย่เงี้ยพระเจ้า ก, ก็บอกว่าเคยได้ยินไหมจริงพระเจ้าเนารู้อยู่นะโกหกพระเจ้าไม่ได้หรอกแต่พุระเจ้า ก, ก็ยอมยอมที่จะอธิบายอะไรต่อเพื่อให้คําอธิบายนั้นเป็นหลักฐานให้คนที่ฟังด้วย พระเจ้าบอกเคยได้ยินไหมว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งถือดาบวิ่งไปกลางลานหมู่บ้านนาราันทาตอนพอตอนนั้นคุยกันที่นาราันทาวิ่งไปที่หมู่บ้านกลางลานบ้านนาราันทาบอกว่าข้าพรเจ้าจะฟันทุกคนในหมู่บ้านนี้ให้ตายให้ตายจมกองเลือดพร้อมกันในชั่วครู่เดียวท่านเชื่อไหม เป็นไปไม่ได้ให้สิบคนมาช่วยกันฆ่ายัางไม่ทันเลยชั่วครู่เดียวเนี่ยนะชั่วครู่เดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้สิบคนยี่สิบคนก็ยังไม่ได้เลยร้อยคนยังไม่แน่ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะคนคนอินเดียเนี่ยอยู่กันรวมกันเยอะนะเวลาจะไล่ฆ่ากันเนี่ยคงไม่ nah i, ง่ายๆเท่ไหร่อุบาลีบอกว่าสิบคนยังไม่แน่ว่าจะทําได้หรือเปล่ายี่สิบคนก็ยังไม่แน่ว่าจะทําได้หรือเปล่าร้อยคนก็ยังไม่แน่นั้นคนเดียวมายืนบอกว่าจะฟันทุกคนให้ ตายทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเนี่ยยากมาฟันบางทีมันโดนโดนแขนนี่ไม่ตายนะต้องให้ตายด้วยนะอยากไม่มีทางไม่มีทางเอาแล้วท่านลองคิดดูว่าถ้ามีผู้มีผู้มีความชํานาญด้านจิตผู้มีความชํานาญด้านจิตฝึกจิตมาอย่างดีประกาศบอกว่าเราจะใช้ความสามารถทางจิตบันดาลให้ คนในหมู่บ้านนานันทานี้ตายพร้อมกันเป็นไปได้ไหมพระบาลายยบบอกว่าฮ่างี้เป็นไปได้อย่าว่าแต่หมู่บ้านานานันทาบ้านเดียวเลยสิบหมู่บ้านยังได้เลยยี่สิบหมู่บ้านยังได้เลยนี่ความสามารถทางจิตนะเวลาเราโดนอะไรเนี่ยก็โดนจากพวกนี้แหละรู้สึกโอ้ทำไมเราเจ็บปวดข้อปวดนู่นปวดนี่นั้นก็าอาจจะเป็นพวกที่เขาเล่นริ เล่นริดรินั่นไปมถึงรอรืนะไม่ใช่ไม่ใช่ริดสีดวงนะเล่นริดทางใจมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าป่วยอยากจะไปหาหมอหมอก็มีเวลาให้น้อยเหลือเกินก็เลยไปหาเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนหมอบอกว่าหลือไม่ดูหรอว่าเนี่ยคนไข้ของเราเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยไม่มีเวลาตรวจให้เพื่อนไม่มีเวลาตรวจ ไอ้เพื่อนก็งออีกนะบอกว่าเฮ้ยตรวจ ห, หน่อยหนะ่าเราป่วยล้วสงสัยว่าจะเป็นลิศสีดวงตรวจให้หน่อยหมอก็เลยเอาเอาตรวจให้ตรวจให้เอานอนคว่ำนอนคว่ำถอดกางเกงแล้วก็ตรวนถุงมือแล้วก็ใช้มือตรวจทวาวรไม่เห็นมีอะไรเลยเสียเวลาฉันจะให้ตรวจว่าฉันเป็นลิศสีดวงจมูกหรือเปล่า หมอไม่มีเวลาขนาดนั้นฟังแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรวจเลยอันนี้ก็ถูกตรวจฟรีอูบาลีบอกว่าคนที่มีริบทางใจมีริบทางใจเนี่ยสามารถทำได้พุทธเาจ้าก็เล่ากลัวว่าจะไม่ชัดเจนนะก็ะเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยินเรื่องป่านั้นไหมป่านั้นเคยเป็นเมืองมาก่อนจําชื่อไม่ได้ ป่าทันตะกีเรืออะไรประมาณเนี้ยนะป่านั้นเนะ่ยเคยเป็นเมืองเมืองใหญ่ด้วยเหตุที่ที่ให้เมืองนั้นกลายเป็นป่าเนี้ยมาจากว่าครั้งหนึ่งพระราชายืนอยู่บนพระราชวังมองผ่านหน้าต่างไปเห็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองรู้จักไหมหญิงงามเมืองคือนางงามที่เขายกย่องให้เป็นเลิศในแผ่นดินนั้น เห็นหญิงงามเมืองเห็นหญิงงามเมืองเนี่ยมีคนห้อมล้อมมีบริวารพระราชาจาไม่ได้ถามอมานว่าใครอ่ะคนนั้นใครอ๋อพระองค์หญิงงามเมืองครับ น, ค, น, นครโสเพณีเขาว่าโสเพณีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สับหยาบนะเป็นแปลว่าหญิงงามเมืองนครคือเมืองโสเพณีคืองามหญิงงามเมืองนครโสเพณีครับพระองค์ ไม่ครับจ้พยาค่ะ <c oughs> <c oughs> นครโสพณีพยาค่ะอ้อเราจำไม่ได้เลยโอ้เนี่ยเหรอแต่จะดูทำไมถึงแบบหญิงย่โสมากเลยจัดการถอดยศซะดูสิพระราชานะทำอะไรง่ายๆไ ง, ง, ยยงละถอดยศซะหญิงงามเมืองก็ตกใจอะไรอยู่ดีถูกถอดยศเสียใจมากเลยก็เดินไปถูกถอดยศแล้วก็เดินเดินไป เอเราทำอะไรผิดนะ้าเดินไปในราชอุทยานราชจุทยานเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่ั้วรอบขอบเจเลยนะก็คือเป็นป่าราชจุทยานนั้นมีฤาษีอยู่องค์หนึ่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งคือนิ่งนานๆด้วยครับทําฌานได้พอนิ่งนานๆเ น, น, นี่ยหนวดเขาก็ไม่ได้โกนฟันก็ไม่ได้แปลงผมเผ่าก็ลุงลัง ถึงแม้จะมีชดานะแต่ผมเา้ากรุงรังเนื้อตัวไม่ได้อาบน้ำอะ่ะพาะนั่งนิ่งหญิงคนนั้นที่ถูกถอดยยศแล้วเนี่ยเห็นไปแล้วก็โอ้วันนี้สวยแล้วพอไปเจอคนกาลากินีนี่เขาถืออย่างนี้นะเห็นความสกรปรกเห็นคนสกรปรกเนี่ยนะแถวนี้ยังไม่มีนะเห็นคนสกรปรกแล้วรู้สึกโอ้โหคนนี้น่ารังเกียแล้วก็เป็นสเสนียตาเป็นกาลกินีก็เลย ตอนนั้นไปตอนเช้าคนอินเดียเนี่ยมีไม้สีฟันเคยเห็นไหมเขาใช้ไม้คนทาใช้ไม้สะเดาตัดเป็นแท่งเล็กๆแล้วก็ทุบ ป, ปลายให้นิ่มๆเป็นขนๆแล้วก็สีฟันนะสีฟันสีแรงก็เงือกถลอกแต่เ้าคงมีเทคนิคดีนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นเสนีย์เป็นกาลากินีใช่เลย อิตานน่แน่ๆเลยทำให้เราต้องประสบภัยคือถูกถอดยศจากตำแหน่งหญิงงามเมืองก็เลยคิดว่าจะต้องทำการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะไล่เสนียดนี้ไปก็ทิ้งไอ้ไม้สีฟันที่ตัวเองสีแล้วเนี่ยนะสกระปรกไหมสกรปรกนะทิ้งไปบ้วนน้ำลายใส่ด้วยถมน้ำลายถ้าเป็น แถวเราก็คงจะขากถุยแรงๆเลนะถุยไปคนอินเดียจะขาดก่อนนะน่าจะขากเหมือนกันนะขาดขากกูทบ า, าเคยเจอใช่ขากแล้วน้าลายคนอินเดียจะเหนียวก็เหมือนเรานั่นแหละเหนียวๆนั่นแหละแล้วถุยใส่ไปถุยใส่ไปเสร็จรุ่งขึ้นพระราชาบอกว่าเออจริงเราก็ด่วนตัดสินไปนะจริงเขาก็ไม่เห็นทําอะไรเดือดร้อนใครเลยนางโสเพณีคนนี้คืนยศให้ซะอย่างนี้นะ คืนยอดไซะเราด่วนตัดสินเกินไปเราวู่วามไปหน่อยสั่งอำมาตย์ไปบอกว่าคืนตําแหน่งให้ไอ้คืนตําแหน่งให้เนี่ยกับให้ดูลดตําแหน่งไป น, นะมันเป็นวิบากของโสเภณีนั่นเองนางโสเภณีนั่นเองไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการที่ไปถมน้าลายใส่หรือสีถมน้ำลายใส่หรือสีเนี่ยเป็นบาปของตัวเองอย่างหนึง่งไอ้ที่ได้คืนยอดเนี่ยนะคือบุญเก่าให้ผลตอนที่ถูกถอดยอดนี่ก็คือ บาปเก่าให้ผลแต่นางโสพเนีคนนี้คิดว่าอาใช่แล้วเพราะเราไปเจอเจอคนกาลกินีแล้วก็ทำการถมน้ำลายทิ้งไม้สีฟันใส่บนหัวเขาเราจึงได้กลับมามียศใหญ่วันต่อมาปุโรหิตปุโรหิตของเมืองนั้นให้ คำปรึกษาอะไรที่แบบพระราชาไม่ชอบไม่เข้าหูไม่เห็นด้วยพระราชาก็เลยถอดยศง่ายมากเลยนะถอดยศปูโรหิตูโรหิตตกใจโอ้เราถูกถอดยศเห็นว่านางโสเพณีเนี่ยเคยถูกถอดยศแล้วได้ยศมาภายในวันเดียวก็เลยเข้าไปหาโสเพณีไม่ได้เข้าไปทําอย่างอื่นเข้าไปถามนะ ไปถามน้องหญิงน้องหญิงทํำยังไงถูกถอดยศวันเดียวแล้วได้กลับคืนมาอ๋อนี่ลุงลุงบอกให้บอกให้ใหปู่เรหิตต้องระดับลุงนะลุงลุงบอกให้บอกให้ใหนี่ในราช จ, จุทยาณ น, นะมีฤาษีหน้าลังเกียจอยู่คนหนึ่งลุงไปเลยนะสีฟันนะแล้วก็ทิ้งใส่หัวท่านนะแล้วก็ขากน้ำลายใส่หัวท่านเลยนะรับรองไม่เกินวันเนี่เนี่ยประสบมากับตัวเองแล้ว ปุโรหิตทำตามด้วยพอทำตามปุ๊บรุ่งขึ้นพระราชานึกขึ้นได้โอ้ท่านก็แก่แล้วนะเราไปถอดตัวท่านแล้วท่านจะทําอะไรนาะจริงก็ท่านก็แนะนําสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์หลายครั้งแล้วนะเมื่อวานเพิ่งครั้งเดียวเองแหะเราก็ด่วนไปหน่อยขอโทษท่านด้วยไปคืนคืนตําแหน่งท่านดีกว่าไอ้ที่ได้มาได้ยอดมาก็เป็นบุญเก่าวิธีถอดยอดไปเป็นบาปเก่าไม่เกี่ยวกับการที่ไปถมน้ําลายกับฤๅษี แต่มันซ้ํากันสองทีอ่ะปุโรหิตก็โหเจ๋งมากเลยน้องหญิงขอบใจมากเลยที่ทําให้เราได้กลับมียศอีกครั้งหนึ่งไม่นานมีโจรชายแดนไม่ระบุว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอะไรนะโจรชายแดนเกิดขึ้นพระราชาก็จัดเตรียมกองทัพจะไปปราบโจรปุโรหิตเลยเข้ากราบทวิลพระราชาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระองค์ต้องการความสวัสดีหรือไม่นี่จะเอาความดีความชอบนะว่าตัวเองเนี่ยมีเทคนิคที่เจ๋งมากเลยแล้วว่าทำให้สิ่งดีๆปรากฏขึ้นกับตัวเองให้ได้พราชาบอกเอา้าเราก็ต้องการความสวัสดีไปสู้รบ ก, กับโจนเนื่องมันอันตรายเราก็ต้องการชัยชนะต้องการความสวัสดีถ้าพระองค์ต้องการความสวัสดีกระหม่อมชั้นมีเคล็ดสุดยอดอย่างหนึ่ง ในอุทยานมีฤาษีขมุก ข, ขมัวขมุกขมอมอยู่อยู่ท่านหนึ่งพระองค์นะไปเลยสีฟันแล้วทิ้งมาสีฟันแล้วขากใส่แล้วพระองค์จะพบความสวัสดีจริงเหรอจริงพระองค์เนี่ยพระองค์จําได้ไหมพระองค์ถอดยศนางโสเพณีพระองค์ถอดยศกมอมฉันนางโสเพณีไปทำอย่างนี้กมอมฉันก็ทําอย่างนี้วันเดียวได้คืนยศเลย แทนที่พงษ์จะบอกว่าก็ชั้นคืนให้เองอ่ะไม่นึกอย่างนั้นนะเออจริงวะใช่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเห็นผลแล้วซ้ํากันสองครั้งเพราะฉะนั้นสั่งทหารทุกคนเลยนะสั่งทหารทุกคนในกองทัพให้เข้าไปในอุทยานจัดทหารเวรยามด้วยนะเช็คด้วยนะทุกคนนะใครเข้าไปแล้วไม่ทําตามเราคนนั้นถูกตัดหัว เช็คเลยท่านก็สีฟันทิ้งไปขากถุยทหารทุกคนไปเป็นพันก็ถมเป็นพันไปเป็นหมื่นก็ถมเป็นหมืน่นกองทัพวันนั้นทําอย่างนั้นตามหมดเลยปรากฏว่าเสนาบดีท่านหนึ่งเป็นอุปถากของฤสีองค์นี้ไม่ได้ไปในกองทัพด้วยรู้ข่าวตกใจก็ไปเข้าไปกราบ ก่อนจะกราบก็กวาดเอาไม้ท่านก็นั่งนิ่งนะฤาษีท่านก็นั่งนิ่งเป็นฤาษีพ่อโพธิสัตว์นั่งนิ่งไม่มีแสดงความโกรธไม่แสดงอาการอะไรเลยนิ่งๆไปกวาดเอาไม้สีฟันคิดว่าเป็นหมื่นอะกองจนท่วมเลยเปียกด้วยเปียกเหนียวเหนีย ว, วด้วยกวาดนะกวาดแล้วก็เอาน้ามาอาบให้อาบชำระล้างมาเช็ดตัวจนสะอาดสะอา้านกราบ ขอขามาแทนทุกๆคนแล้วก็ถามว่าถามฤษีนะบอกว่าจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้บ้างหรือเปล่าฤษีบอกว่าเราเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกเราเนี่ยไม่คิดเคืองแค้นไม่คิดโกรธเขาเลยแต่เทวดาเนี่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มเทวดานะแบ่งเป็นสามกลุ่ม ไม่ใช่สามองค์นะสามกลุ่มนะเทวดาที่อยู่ในที่นั้นเนะี่ยโกรธมากบอกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยจะทำร้ายพระราชาองค์เดียวอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะทำร้ายทุกคนเลยที่ทำกับฤาษีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราจะทำลายทั้งเมืองนี้เลยบอกคนเมืองนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยไม่เคารพสมณะชีพราม ไม่เคารพผู้ทรงศีลใช้ไม่ได้มันแสดงมาตั้งแต่โสมพินีมั้งแต่คนให้คำปรึกษาพระราชาคือปรโรหิตพระราชาเองและทหารทั้งหลายไม่มีใครไม่มีใครคัดค้านเลยสักคนหนึ่งแสดงว่าคนเมือง น, นี้น่ใช้ไม่ได้ทำลายเมือง น, นี้ซะเทวดาแบ่งเป็นสามกลุ่มอย่างนี้ เสนาบดีก็ถามว่ามีทางแก้ไขไหมลือสีก็บอกว่าจะแก้ไขก็ได้เหมือนกันถ้าให้คนเหล่านั้นมาขอขมาถ้ามาขอขมาเทวดาจะอดโทษให้แตเแนะ่เราเนี่ยอดโทษอยู่แล้วลือสีบอกนะเราเนี่ยอดโทษอยู่แล้วแต่เทวดายังโกรธอยู่ถ้าจะให้เทวดาทั้งหลายอดโทษให้ไม่ทำตามที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยตามที่เขาวางแผนไว้ เทวดาวางแผนนะ <c ười> คือให้คนเหล่านั้นมาขอเข้ามาเสนาบดีก็ส่งข่าวไปบอกว่าพระองค์ ông, ก่อนจะออกไปรบนี่กองทัพยังอยู่นะกองทัพยังอยู่บอกพระองค์ ông, ก่อนจะออกไปรบกลับมาขอเข้ามาฤๅษีก่อนเถอะที่พระองค์ทําไปสร้างกองทัพเนี่ย น, นะมันเป็นการไม่สมควรเลยเทวดาโกรธนะ พระราชาก็ไม่ฟังบอกว่าสิ่งที่ทำนั้นนะ่ะมีคนยืนยันว่าได้รับผลดีสองคนคือนางโสภณีกับปุโรหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยต้องได้รับผลดีแน่นอนถึงดูเหมือนจะไม่น่าทำแต่มีคนยืนยันสองคนก็ไม่ไม่ยอมมาขอเข้ามาพระราชาก็ไปรบรบชนะเพราะไปทางกองทัพ สู้กับโจรกระจาะกระจอก ก, จอ ก, กลับมาเสนาบดีเนี่ยเก็บค่าเก็บของก่อนที่พระราชาจะไปเนี่ยพอพระราชาปฏิเสธที่จะขอขอมานะเสนาบดีขอลาออกจากตาแหน่งพระราชาบอกอ๋อก็ออกไปเดี๋ยวท่นแต่งตั้งคนอื่นก็ได้ถอดง่ายแต่งแต่งตั้งง่ายพระราชาเนี่ยเสนาบดีบอกว่าไม่อยู่ด้วยละคนถ้ามีทัศนคติแบบนี้ ไม่ยกย่องผู้มีศีลเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้ไม่อยู่ด้วยไม่รับราชการด้วยขอหนีขอลาออกแล้วก็หนีออกนอกเมืองไปคนที่ยังพอมีบุญอยู่เช่นคนที่ดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคนกระตันอยู่เจวันเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่ต้องออกนอกเมือง ยัมีเหตุการณ์นะบังคับให้ออกนอกเมืองสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องจะรู้สึกว่าเมืองนี้มันรู้สึกร้อนๆแร้งแรงจะต้องออกไปหากินข้างนอกพระราชากลับมาครบ7วันแล้วนะพระราชากลับมาลบชนะเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าไปถมน้ําลายใส่ฤาษีเลยลบชนะพอลบชนะกลับมาเทวดาเนี่ยจัดการให้ฝนตกมาก่อนโอ้โหเนี่ยเทวดาให้พร พรน้ำมนต์เรารู้สึกงั้นไหมเวลาฝนตกมาโอ้เลิกดีเทวดาให้ให้พรลดน้ํามนให้คนชาวเมืองนั้นก็รู้สึกงั้นเหมือนกันว่ า, เ, าเทวดาให้พรปกประพรน้ำมนหลังจากที่รบชนะมาพอให้พรเหมือนรู้สึกให้พรให้ฝนอย่างนี้แล้วนะคนก็ยังอยู่ในบ้านเพราะกลัวเปียกเทวดาก็บรรดาลให้มีข้าวของเครื่องใช้หล่นมาด้วยมีเครื่องประดับเพชรพลอยหล่นมาด้วย ก็โอ้โหใช่เลยเพราะพระราชาและกองทัพของเราไปถมน้ำลายใสพระฤาษีจึงได้มีความสวัสดีมาเผื่อแผ่มาถึงพวกเราด้วยก็ออกไปเก็บคราวนี้คนที่อยู่ในบ้านก็ไม่ไม่ยอมอยู่แล้วออกไปเก็บเก็บของพอทุกคนออกมาเก็บหมดแล้วเนี่ยคราวนี้มีฝนแบบใหม่ฝนเท่าฐานฝนอาวุธเราจะนึกไม่ออกใช่หว่าพวกนี้จะมายัางไงนะ เราจะนึกออกได้ตอนสงครามโลกพวกปรยอะไรทิ้งระเบิดบ้างขึ้นเครื่องบินแล้วยิงตึงๆ ๆ, ๆ้งนี้นะฝนอาวุธสมัยก่อนไม่รู้เทวดาใช้อาวุธแบบไหนนะแต่โปรยอย่างนี้มาเนี่ยปรากฏเมืองนั้นเนี่ยถูกทับถมด้วยเท่าฐานประชาชนถูกทับถมด้วยอาวุธตายตั้งแต่ตอนที่ถูกอาวุธเชื่อเชืและก็ถูกกลบถูกกลบด้วยเท่าฐาน กองดินกองทรายคนที่ไม่ได้คิดยินดีด้วยในการทำร้ายฤาษีจะเหมือนมีอะไรดนใจให้ออกไปนอกเมืองตั้งแต่นั้นมาตรงนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปอยู่นานๆไปก็กลายเป็นป่าเป็นที่เล่ากันมาในอินเดียตอนนั้นเน่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆคำเล่าลือนี่ยังคงอยู่นี่พระ พระพุทธเจ้าเล่าย้ำให้อุบาลีนะนี่มันเหมือนนิทานซ้อนนิทานนะอุบาลีเลยบอกว่าแจ่มแจ้งแล้วยกมือขึ้นนั่งคุกเข่ากราบสามครั้งปฏิญาณตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตพร้อมกับได้เป็นพระสสดาบาลด้วยกลับไปที่บ้านบอกคนเฝ้าบ้านบอกคนที่เฝ้าประตู เจ้าเป็นที่นี่ก็อยู่หน้าประตูนั่นแหละบอกต่อไปนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราปิดบ้านแล้วสําหรับชีเปลือยทั้งหลายกับสมณะนอกนอกคําสอนของพพุทธเจ้าตอนที่อุบาลีประกาศตนเป็นเป็นอุบาสก พระเจ้ามีการเหมือนกับเตือนๆหน่อยด้วยนะว่าอุบาลีท่านเป็นคนมีชื่อเสียงท่านจะทําอะไรให้คิดให้รอบคอบก่อนนะอยู่ๆจะมาประกาศว่าเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เลือกเนี้ยอย่าเพิ่งรีบประกาศทบทวนให้เรียบร้อยก่อนทบทวนให้ดีๆก่อนอุบาลีบอกว่าโอ้อาัศาจรรย์มากนี่คนเนยนะ นี่คนน่าจะบดชีพเลยเนะี่ยเพียงแค่กระหม่อมชั้นบอกว่าขอนับถือเท่านั้นเองประกาศเปล่าเลยประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าบัตรนี้อุบารีขหบดีเป็นสาวกของเราแล้วแต่ตอนนี้กระหม่อมชั้นจะประกาศว่ากระหม่อมชันเป็นสาวกของพระองค์พระองค์ยังบอกว่ายังก่อนคิดให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบประกาศกระหม่อมชั้นฟังนี้ยิ่งนับถือใหญ่เลย ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสาวกของพระ อ, องค์พระเจ้าบอกว่าอุบารีเธอเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแหล่งลาบแหล่งแห่งลาบของฉีเปลือยมานานเขาก็รู้กันทั่วแล้วถ้าเธอประกาศว่าเป็นสาวกของเราเธอก็อย่าตัดลาบของฉีเปลือยไปนะเคยให้เขายังไงก็ให้เขาอย่างนั้นต่อนะ อุบาลี อ, อีกโอ้นี่ก็อัศาจรรย์มากเลยเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นสาวกของใครแล้วศา ส, สดานั้นจะบอกว่าอย่าไปทําบุญกับที่อื่นนี่คนหน้าตาบุญก็บอกว่าทําบุญกับเขาพวกเดียวนะอย่าไปทําที่อื่นเพิ่งได้ยินจากพระองค์นี่แหละว่ามาเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าให้ทําบุญต่อนะกับฉีเปลือยเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยก็หม่อมชั้นจะไปหาทางที่เหมาะสมเอง <laughs> คือคงไม่ทำเหมือนเดิมกลับไปบ้านก็บอกคนเฝ้าประตูบอกว่าตอนนี้เราเป็นสาวกของพะุทธเจ้าแล้วปิดประตูสาหรับลทัทธิอื่นแล้วถ้าใครต้องการอาหารให้รออยู่ตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะจัดไปให้ <c oughs> คือไม่ตัดแต่จะจัดให้ไอ้ที่เคยเข้ามานั่งถึงในบ้านเลยเนี่ยไม่มีละปิดประตู mm hmm. แต่ต้อนรับสำหรับพระพุทธพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวก ทีขัตตปัดสีที่เคยไปหาพระพุทธเจ้าแล้วคุยแล้วก็คัดค้านว่าอย่าส่งอุบาลีไปเนี่ยก็คอยคอยฟังข่าวว่าอุบาลีเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงจะตรงตรงกับที่เราหวั่นใจหรือไม่ข่าวก็มาแล้วสมัยนั้นไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ o กนะแต่มันมีมีข่าวเล็ดลอดมาอย่างไงก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วอุบาลีประกาศตนเพราะว่าอุบาลีไม่ได้เข้าไปคนเดียวมีคนฟังเยอะแยะเลยคนหลังนั้นก็ไปบอกต่อกันเองแหะข่าวกระจายไปเร็วมาก ทีฆาตปัดสีเนี่ยคงจะเฝ้ารออยู่หน้าประตูนั่นแหละก็ได้ข่าวก็รีบกลับไปบอกนิคอนาถบุตรบอกว่าผมตือนแล้วว่าอย่าส่งอุบาลีไปเนี่ยข่าวมาแล้วว่าอุบาลีเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วโดนมนเปลี่ยนใจของพระธเจ้าไปแล้วนิคอนาถบุตรก็ไม่มีทางข่าวลวงข่าวลวงข่าวลือไม่มีทางอุบาลีไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเรามั่นใจเราเห็นเราครบกันมานานอุบาลีไม่เปลี่ยนใจแน่นอน ผมได้ยินมาอย่างนั้นจริงนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไปเช็คข่าวที่บ้านของอุบารีไปไปเธอไปไปเช็คข่าวอีกทีก็ไปที่บ้านไปที่บ้านปุ๊บปกติแล้วคนเฝ้าประตูเนี่จะเปิดบ้านต้อนรับพอชีเปลยมาคนปิดประตูคนเฝ้าปิดประตูบอกท่านจะไปไหนเราจะเข้าไปหาอุบารีอ่ออุบารีบอกว่าปิดประตูแล้วสําหรับชีเปลยทั้งหลายถ้าต้องการอะไรให้บอกเดี๋ยวจะจัดให้รออยู่ข้างนอก นี่คือไม่ให้เกียรติให้รออยู่นอกบ้านทีกขตบัสสีก็โอ้โหเศร้าใจมากนะมาเห็นชัดๆเลยว่าข่าวที่ได้ยินมานะ่ะเป็นจริงโอเคเราไม่ต้องการอะไรที่ข้าตบาทศรีบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรได้ฟังคันนี้ก็พอละก็กลับไปบอกนี่คนนาฏบุตรนี่คนนาฏบุตรก็ยังไม่ยอมเชื่อถ้าไม่เชื่อไปเองเลยขอให้ท่านไปเองเลยนี่คนนาฏบุตรก็ไปพร้อมทั้งบริวารมากมายเลยไปถึง ประตูก็ปิดคนเฝ้าประตูก็ไม่ยอมเปิดให้เพราะได้รับคําสั่งมาว่าปิดประตูนี่คนนาฏบุตรก็โกรธก็เลยบอกกับคนเฝ้าประตูบอกว่าไปบอกนายเจ้าบอกว่าเรานิ่คนนาฏบุตรและสาวกทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องการเข้าไปคุยด้วยต้องการพบไอ้คนเฝ้าประตูก็ยังปิดประตูอยู่นะเดี๋ยวเดเดี๋ย ว, ย ว, ยวไปบอกนายให้ อุบาลีก็เลยบอกว่าให้ท่านไปจัดที่บ้านเ น, นี่ยนะมันมีหลายประตูมากเลยมีประตูอยู่เจ็ดชั้นให้จัดชั้นตรง ก, กลางๆเข้ามาสัก 3-4 ชั้นแล้วก็จัดตรง ก, กลางๆไม่ให้เข้าในบ้านนะจัดตรง ก, กลางๆจัดที่เอาไว้เดี๋ยวเราจะต้อนรับ น, น, นิคอนับุตรตรงนั้นไม่ให้เข้ามาข้างในเสรษฐถีมังขนาดนั้นนะทำให้ใ น, น, หนิคอนัตบุตรถึงไม่ยอมไง อุบารีมีตังขนาดนั้นมีกำแพงล้อมบ้านตัวเองอยู่เจ็ดชั้น <c oughs> เราชั้นเดียวก็ไม่มีตังแล <c oughs> จัดที่นั่งแล้วอุบารีก็ไปนั่งในที่ที่เด่นที่สุดเองเหมือนกับตรงนี้นะอุบารีก็มานั่งตรงนี้เลยแล้วจัดให้ชีเปลือยทั้งหลาย น, ะนั่งนั่งเสือนี่คนนาบุตรเข้าประตูมา เห็นอุบาลีนั่งไอ้ที่เด่นซะเองเนี่ยก็ตะโกนไปท่านบ้าแล้วเหรอท่านบ้าแล้วเหรออุบาลีบอกว่าไม่บ้าหรอกในใจนะบอกว่าตอนเนี้ยนั่งที่สมควรแล้วเหมือนกับว่าโดยคุณธรรมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอุบาลีคือเป็นพระโสดาบันนั่นยังเป็นพวกพวกไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะพวกมิจฉาทิฐิชี้ อันนี้อตมาชี้ไปนั่คือชี้ข้างบนนะชี้หมายถึงว่าชี้ถึงไปถึงถ้าฉากนั้นตอนนี้ตรงนั้นก็คือพวกขี่เปลยไม่ได้หมายถึงโยมตรงนี้นะ <c oughs> บอกว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ไม่บ้าตอนเนี้ดีที่สุดเลยเท่าที่เคยคบกันมาตอนนี้ดีที่สุดเล ย, เคยค <c oughs> นน ด, ดีอะไรกันเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าเราเดินมาแล้วแต่ท่านต้องลุกจากที่นั่งอันดีที่สุด แล้วก็คุกเข่าเชิญเราให้ไปนั่งในที่ที่นั้นแทนแล้วมันนวดเฟ้นที่เท้าแสดงความเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ท่านมานั่งอยู่ตรงนั้นแทนท่านบ้าไปหรือเปล่าบอกไม่บ้าหรอกเนี่ยดีที่สุดเลยเรามีสติดีที่สุดแล้วและเรานั่งในที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วโดยคุณธรรมถ้าท่านต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวเราจะจัดให้ยังมีน้ำใจอยู่นะอุบาลียังมีน้ำใจอยู่นิ่กอทัพทัพท ไม่ต้องการเหมือนงอนชีปเปล่งอนไม่รู้จะเป็นยังไงนึกภาพยังไม่ออกเลยงอนกลับไปก่อนจะออกจากกำแพงไปเนี่ยกระอักเลือดความโกรธโทสะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพุ่งผ่านไปเนี่ยเส้นเลือดแตกกระอักเลือดคนต้องหามสมัยนั้นเนี่ยยังไม่เรียกเป็นเส้นเลือดในสมองแตกอะไรนะก็แค่บอกว่ากระอักเลือด กักเลือดไปแล้วเนี่ยออกจากบ้านไปโดยที่คนต้องหามไปอีกไม่นานตายนี่คือฉากใกล้จะสุดท้ายของนิค น, นาถบุตร